รายการที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้สันนิสนทนาดำเนเินรายการโดยสันนิหน้าพง์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ฟค่ะเรามุ่งเน้นที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์จากการที่ได้สดับธรรมของพระศาสดาและนำเอาไปใช้พัฒนาตัวของท่านเองเพื่อที่จะได้อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขแล้วก็มีอิทธิพลในการที่จะช่วยทาให้คนรอบข้าง ได้รับอานิสงฆ์แห่งธรรมที่ท่านปฏิบัติด้วยนะคะเรามาพบกับพระภัยุญอภิปุโนกันในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะกลับมาวัาสดิกันคทั้งคะเชิบานค่ะ <c oughs> ที่วัดปาดอนหายโศกกระคงฝนตกเป็นระยะระยะช่วงนี้ใช่นะคะรพบก็เป็นหน้าฝนแต่ที่รายการของเราเนี่ยฝนจะตกแดดจะออกถ้าเป็นวันจันทร์เช้าๆปีห้าแดดยังไม่ทันออกนะคะเราจะมาพบกันที่นี่เป็นประจําจาน์ถึงสุก วันนี้ต่อเ น, นื่องจากเมื่อวานได้กราบน้ำม ก, การท่านพิบูลหลังใหม่ท่านบอกว่าที่ดิฉันกราบเรียนถามท่านเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของอยากรวยแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมพระาศาสดาได้หรือไม่มาถึงอยากมียศมีตําแหน่งนะคะการมียศมีตําแหน่งใช่ย่างนี้ดีกว่าอ่าไปด้วยกับการที่จะเจริญในคําสอนของพระาศาสดาได้หรือไม่อย่างไรท่านพิบุลวระเจชก็รบพวนท่านได้ เมตตาให้ความรู้เลยนะคะพระเจ้าเคยพูดถึงเกียรติยศนะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีเกิยิตยศสมณ ค, คดมเนี่ยเป็นผู้ที่มีเกิจิตยศกิจิตยศของพระองค์มาจากอะไรมาจากศีลสมาธิและปัญญาอย่างเราเป็นคนมีเกียรติเนี่ยเกียรติเนี่ยนะหมายถึงอะไรหมายถึงว่า เ, าเราเรามีเกียรติคือสมมุติเขาจะให้เราทําชั่วเราไม่ทำเพราะเรามีเกียรติในเกียรติตรงเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่เรามี พอเรามีเกียรติอย่างนี้เขาได้เอายศมาให้ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณอยากมียศนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ายศเนี่ยเป็นสิ่งที่เขายกย่องให้นะเขาเขามาสู่มให้คุณใช่ไหมถามว่าคุณมียศแล้วเนี่ยคุณเอาอะไรมาเป็นเหตุของความที่คุณมียศนั้นแต่บางทียศมันมาพร้อมกับหน้าที่เกามีบางทียศมาคุณต้องมีเกียรติไงเกียรติตรงนี้คือศีลสมาธิของเรานั่นเองศีลสมาธิปัญญาของเราค่ะน่าจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดยศขึ้นได้และแล้วก็จะเป็นตัวที่รักษายศของเราไว้ได้อย่างนี้นะคะ เพราะนั้นสร้างเหตุให้ถูกแต่ถ้าสร้างเหตุด้วยความอยากอันนี้คุณคุณพลาตั้งแต่แรกเลยพลาตั้งแต่ก้าวแรกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเกียรต์ยศมันก็ตามมาอย่างคนแก่คนเฒ่าเนี่ยท่านเป็นคนมีเกียรติเกียรติเพราะาอะไรประสบการณ์ด้วยพความเมตตาด้วยความที่มีใจเย็นด้วยความรักความห่วงใ ย, ยลูกหลานนะทาให้คนอื่นเนี่ยเขายกย่องสรรเสริญตรงนี้ก็มียศให้ในกา ร, รที่เขายกย่องสรรเสริญนี่คือชื่อเสียงเกียรติยศมาด้วยกัน ทีนี้ถามว่าหน้าที่เนี่ยมันก็มียอย่างเราทําหน้าที่ไปเนี่ยถ้าเราทําหน้าที่อย่างมีเกียรติด้วยการปฏิบัติตามศีลธรรมนะเพราะพูดถึงเกียรตินี่คือศีลสมาธิปัญญานะ เ, เกียรติคือศีลสมาธิปัญญาเร า, าก็พูดถึงการที่ถ้าเราปฏิบัติตามหน้าที่ของเราด้วยเกียรติที่เรามีนะยศมันก็มีขึ้นมาได้พราะฉะนั้นประเด็นที่จะพูดถึงตรงนี้คือว่า ถ้าเราทำตามหน้าที่นะอย่าให้มีความอยากนะหน้าที่บางอย่างเนี่ยมันมีการที่อชนกันบ้างเทำให้เราต้องเอผิดศีลผิดอะไรเราอย่าไปยุ่งตรงนั้นเราหลีออกจากตรงนั้นซะอะไรที่จะเสี่ยงต่อการพูดยุยงให้แต่การอะไรที่จะเสี่ยงต่อการพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเราเลี่ยงจากตรงนั้นซะค่ะอาจะทําให้เราทําหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติค่ะสาธุค่ะอืม ถ้าจ้ะอ่ะเพราะนั้นก็เท่ากับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตตามปกติตามคันลองของชีวิตท่านได้อยู่ตราบเท่าที่ชีวิตมันต้องดำเนินไปในทางนี้คือประกอบอาชีพบางคนเลือกอาชีพไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่ทั้งโลกคว่าดีเนี่ยก็ให้ดำเนินต่อไปแต่ต้องมีหลักถ้าจะเป็นลูกพระพุทธเจ้า ถูกต้องถูกต้องอาชีพอาชีพส่วนใหญ่เลยนะมีแค่5อาชีพที่ว่าไม่ดีท่าน้เองนอกหนือก็ดีก็ดีทั้งนั้นอยู่แล้ว5อาชีพอะไรคะที่ไม่ดีอ๋ออันนี้ก็คือว่าค้าขายอาวุธอาชีพที่ไม่ควรทํา5อย่างนะคือการค้าขายอาวุธค้าขายสาัตว์ค้าขายเนื้อสัตว์สัตว์นี่หมายถึงมนุษย์ด้วยนะสัตว์เป็นเเนี่ย อ, อันที่2คือเนื้อสัตว์คือสัตว์ที่ตายแล้วอันที่4ก็คือการค้าขายน้ําเมาและอันที่5คือการค้าขายยาพิษแต่จำมีกครั้งหนึ่งค้าาาขยอวธ ถ้าขายศาสตร์ข้าขายเนื้อสัสตร์ข้าขายน้ำเมาข้าขายยาพิษข้าอย่างนี้ไม่ควรทำไม่ควรไ ม, ไม่ได้ห้าม ถ, าถูกต้องไม่ควรทำไม่ได้ตึกห้ามนะอืมทำแล้วมันเป็นยังไงพระท่านคะเ อ, อทำแล้วมันก็จะจะจ ะ, จะเสี่ยงต่อการที่พุทธเจ้าบอกว่าเสี่ยงต่อการที่จะทําให้จิตเรามั น, มนไม่ดีนะคะเธ อ, อถ้าขายขายมนุษย์เนี่ยพอเข้าใจนะคะออืมออขายเนื้อสัตเนื้อสัตร์ก็คือไปเบียดเบียนเขา ขายเล่าก็ทำให้คนผิดศีลแล้วก็ไปทำผิดอื่นอ่ได้เยอะดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะท่านคะเขาเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อสังคมเขาขึ้นไปพูดบนเวทีงานใหญ่แก้ปัญหาภาคใต้เรื่องจะนำเอาวิถีวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการที่ภาครัฐจะไปสัมผัสกับภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นโรงภาคโรงพยาบาล อ, อะไรล่ะคะโรงเรียน เป็นต้นนะนะค ะ, ะเขาก็ได้ยกเรื่องเนี้ยว่าสุราเนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดต้องขอจัดออกไปอื ม, อ ม, อมแล้วก็พอมาวิเคราะห์อีกอันขายอาวุธเนี้ยก็พอเห็นชัดๆแติฉันยากกราบเรียนถามท่านแบบนี้ ม, มีเพื่อนดิฉันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ค้าขายในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอาชีพที่ไม่ควรทําไม่ใช่กระนั้นคะ่ะมันไม่ใช่อาวุธยุโทโธปกรณ์โดยตรงแต่ว่าออ มันอยู่ในขายให้กับพวกกองทัพอย่างเงี้ยเป็นอุปรกรณ์ต่างๆที่ที่มันใช้ในการรบด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่อาวุธอ๋ออย่างนี้เป็นไรไหคะเอออย่างชุดขายของให้กองทัพมันก็มีหลายอย่างขายอาหารก็มีนะขายถุงมือก็มีขายรองเท้าก็มีมันก็หลายอย่างอนะค่ะ <c oughs> แล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับทําให้มีกําลังรบมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังละ่ะไม่ควรทํา อย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เราทําแล้วมันจะมันจะไม่ดีคือคือหมายความว่ามันไม่ดีแน่แล่ะนะแต่ว่ามันไม่ได้ผิดศีลมันไม่ได้จะทําให้เสื่อมเสียไปเลยทันทีนะแต่เป็นการสนับสนุนสิ่งที่ไม่ดีจะอาจจะให้เกิดขึ้นได้เราก็ทําอย่างนี้ก็คือว่าอันไหนที่เราทําดีได้เราทำนะเช่นเรารักษาศีลได้เราทําเราทําสมาธิได้เราทำนะเราทําปัญญาให้เกิดขึ้นได้เราทำนะแล้วเราก็ค่อยๆที่จะเลิกค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนี้ก็สามารถทําได้ มีการพูดถึงคนในทุกสาขาอาชีพสามารถที่จะเจริญในธรรมหรือว่าบรรลุธรรมในขั้นต่างๆทั้งๆ ท, ท, ที่ยังประกอบอาชีพนั้นๆอยู่บ้างไหมคะท่านคะอืในสมัยพุทธกาลก็มีข้าราชการพ่อค้าขรรเบดีชาวนาก็มีที่ว่าบรรลุธรรมในขณะที่ตัวเองมีอาชีพนั้นๆอยู่ในในเพศของฆราวาสอ๋อค่ะ มันก็แล้วแต่ลําดับขั้นทําไมถึงก็ได้โสดาบันสกัทธาคามีนาคามีพวกนี้มีอยู่แล้วโลกนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันยังมีภาระติดพันอยู่ก็อาจจะไปหลีกเล่นมุ่งหน้ามุ่งเดินางนั้นทีเดียวไม่ได้เพราะ่ดิฉันได้คุยกับพื่คุณเจ้าบางรูปนะคะอาจารย์บางท่านก็สนับสนุนเพียงแค่ให้เราเนี่ยปฏิบัติธรรมในขั้นแรกๆของการเป็นอริยบุคคล คือบอกว่าให้ทําแค่นางวิสาขาอนางวิสาขานี่ทําแค่ไหนกันะครวิสาขาเขาเป็นโสดาบันในชัตนนั้นโสดาบันอย่างนางวิสาขานี่ทําแค่ไหนอย่างไรคะนางวิสาขานี่ก็เป็นก็เป็นแม่บ้านอะ่ะเป็นแม่บ้าน <c oughs> แล้วก็มีลูกเยอะแล้วก็ดูแลครอบค ร, ครัวอย่างดีในลักษณะนี้แตนี้ทตนี้ที่อาจารย์วัต้องการจะพูดก็คือว่าอย่างอย่างเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังฟังรายการวิทยุเนี่ยในขณะที่ฟังรายการวิทยุเนี่ย เราเห็นว่าเรามีความคิดว่าสิ่งต่งางๆทั้งพวงมันไม่ค่อยเที่ยงนะนะแล้วก็มีจิตน้อมไปมีความเชื่ออย่างนี้มีจิตน้อมไปเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้คาสารเป็นร่างที่มีเป็นในกามนะมีสี่ห้าอยู่นะวิเทย์วินาทีที่ฟังรายการนะอันนี้คุณเป็นโสดาปฏิมักนะโซดาปฏิมากนี่คือหนึ่งในบุคคลคู่สี่นะหนึ่งในบุคคลคู่สี่คืออะไรระยะบุคคลนะ ค, คุณเป็นะระยะบุคคลแล้วณนะตอนเนี้หนึ่งในบุคคลคู่สี่คือพระโสดาบันสกัคาคามีแหลรงี้ยนหรอคะใช่ใช่ หนึ่งในบุคคลคู่สี่นก็คือเป็นโสดาบัลโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลใช่ไหมเราอยู่บนมร์แล้วนะอยู่บนมร์คือเส้นทางที่จะไปถึ ง, งความาเป็นโสดาปฏิผลค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปุ๊บมาก้าวอยู่บนทางที่จะไปสู่ความเป็นโสดาปฏิผลคุณเป็นอเรียบบุคคลทันทีอันนี้พุทธวจนะนะที่บอกว่าบุคคลคู่4ี่นะเป็นอเรียบุคคลนะเพราะนั้นถ้าเรามีแค่เรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปในเห็นว่าตาหูจมูกนิ้วกายใจไม่เที่ยง คุณฟังธรรมะอยู่คุณมีศีลคุณอยู่บนโสดาปฏิมากรรมนะคุณเป็นอริยบุคคลแล้วนะท่านคะงั้นเท่ากับว่าการจะไปเป็นอริยบุคคลโดยการเป็นโสดามันนะค ะ, ะจะต้องเห็นความไม่เที่ยงด้วยใช่ไหมคะใช่มีทิฏฐิต้องอย่างไรบ้างะะอมีความเห็นอย่างนั้นมีมีทิฏฐิน ะ, ะแต่จะจะละได้ไม่ได้อีกอย่างหนึง่งแต่ว่ามีความเห็นมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่า เออสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแค่นี้เองอการมองเห็นการการที่จะเห็นอย่างนี้ในลักษณะที่จะได้เป็นโสดาบันกับการที่ปกติธรรมดาเนี่ยก็เห็นมาอยู่เรื่อยอยู่แล้วไม่ต้องมารู้จักธรรมะนะคะออืก็อูอ้ยตายเห็นหลัดหตายไปซะและ้มโอ้ยชีวิตนี้มันไม่เที่ยงกะมันเห็นเห็นอันเดียว ก, กันไหมคะเหมือนกันไหมคะ เออมันได้ทั้งสองกรณีอย่างกรณีที่คุณยมติวพูดเนี่ยอาจจะคิดเอาเองก็ได้นะอาจจะท่องๆเอาก็ได้ใช่<ต>คําเหมือนได้ยินได้ยินมาเนี่ยเขาพูดกันแบบเนี้ย เ, เราเแคเห็นเออเราก็เลยพูดแบบนี้แต่ที่เห็นเนี่ยคือคือใช้คําว่าเห็นเนี่ยพูดถึงใจนะใจเห็นได้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ตาเพราะฉะนนั้ที่ว่าใจเห็นใจเห็นคือรู้นะรู้ด้วยใจว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะเนี่ยรู้ด้วยใจ เพรา ะ, ะนั้นความความเห็นคือความรู้นั่นแหละรู้ที่ถูกต้องคือเหมือนกับว่าอาจารย่าเป็นกับหลายหลายคนมากนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะอศึกษาหรือฟังธรรมมากๆเนี่ยอื ม, มันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้อชีวิตนี่ชั่วคราวนะเดินผ่านความทุกข์ก็ชั่วคราวเดินผ่านความสุขก็ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วนะคะอันเนี้ยใช่ความการเห็นความไม่เที่ยงไหมคะอจะใช่ก็ต่อเมื่อจิตคุณเป็นสมาธิ ถ้าจิตคุณเป็นสมาธิแล้วคุณเห็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะทําให้รู้ได้ตามที่เป็นจริงแต่ถ้าเราแอบว่าจิตเรวุ่นวายอยู่มือนึงก็โทรศัพท์มือนึงก็กดคอมพิวเตอร์แล้วแต่เออมันไม่ค่อยเที่ยงหรอกพูดแบบนี้นะอันนี้จิตคุณไม่เป็นสมาธิคุณพูดไปอย่างนั้นเฉยๆคุณไม่เห็นตามที่เป็นจริงเพราะจิตไม่เป็นสมาธิอืมคือสรุปแล้วว่าถ้าสมมุติจะลักษณะที่ก้าวเข้าไปเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นอริยบุคคล ในลำดับต้นคือโสดาบันเนี่ยต้องเห็นแบบมีสมาธิสิคะถ้าฟังจากท่านเ่คือเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะทำให้คุณเห็นได้แต่ถ้าจิตคุณเป็นสมาธิไม่ได้นั่งขัดสมาธิเห็นนะคะจิตเป็นหนึ่งเอาผู้ี้ดีกว่าจิตเป็นหนึ่งแล้วจะทำให้คุณเห็นได้แต่ถ้าจิตคุณไม่เป็นหนึ่งอันนั้นคุณไม่ใช่เห็นนะคุณคุณพูดเฉยๆจาเอาเฉยๆ แล้วตรงนี้มันมันไม่ได้เรื่องยากเย็นอะไรเราทำไปเรื่อยๆ เ, เราจะไปถึงโสดาปฏิผลแต่เมื่อไหร่ที่เราดีทัวออกจากทางแล้วหลุดออกจากทางก็คือคุณก็ไม่ได้เป็นโสดาปฏิมา ก, กันนะท่านไปบุญคะ่ะคือพอพูดโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลบ่อยๆดิฉันจําเป็นนะคะที่จะต้องมาอาพูดแทรกเอาไว้ว่าอันนี้เหมือนกับเป็นศัพท์เทคนิคนะคะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อืดังนั้นเนี่ยก็จําเป็นต้องพูดคํานี้ แต่ว่าท่านอย่าไปคิดว่าเป็นคําที่ยากเพราะดิฉันเจอมาหลายคนมากเลยเพอเจอคําแบบนี้กลับบ้านเลยค่ะไม่สนใจแล้ว <c oughs> รู้สึกว่ามันยากอฟังไม่รู้เรื่องแต่นี่ <c oughs> ท่านกําลังจะบอกว่าโสดาปฏิมาคหมายความว่าเส้นทางไปสู่ความเป็นโสดาบันตามเส้นทางไปสู่โสดาบันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้ <c oughs> ใช่แล้วก็จะไปถึงโสดาปฏิผลก็คือก็จะได้เป็นโสดาบันผลมันจะเกิดนั่นเองถูกต้องถูกต้องนะคะ ผลแห่งความเป็นโสดาบันเกิดขึ้นได้ค่ะเนี่ยค่ะก็พูดถึงเรื่องยศท่านมีอะไรที่จะขมวดสุดท้ายไหมคะดี่ฉันจะไดะ้ก็จะพูดถึงเรื่องศีลห้าและให้มีศรัทธานตรงนี้ก็เป็นคุณธรรมเบื้องต้นหลักค่ะนะเอ่อถ้าถ้าคนที่มีศีลห้ามีศรัทธาในพวกพวกธรรมประสงค์คุณเดินอยู่บนหกนทางสู่ความเป็นโสดาบันนะคุณทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเมื่อไรสังโยชน เมื่อไหร่คุณสามารถปล่อยวางได้เห็นตามที่เป็นจริงได้นะคุณถึงความเป็นโสดาปฏิพันธทันทีคุณจะได้ผลของความเป็นโสดาบันเลยนะคะวันนี้ก็ทมตัวเองแล้วก็พยายามเป็นผู้ที่ชัดเจนในเรื่องของการอาเขาเรียก อ, อะไรคะศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีนห้าอย่างเคร่งครัดใช่ รักษาสีท่าเป็นสีนที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่งไม่ป้อยค่ะแล้วถ้าสมมติมันห ล, หลุดไปบ้างเหรอคะท่านคะก็ค่อยเริ่มทำใหม่ก็ได้นะคะหลุดเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่มันเป็นเรื่องการที่เรารู้เองว่าไม่สมบูรณ์อผิดปกติไปหน่อยแล้วก็ ท, ทาให้มันเป็นปกติเหมือนเดิมและถ้าเรารู้ว่าคุณสมบัติต้องการความสมบูรณ์ ก็แปลว่าให้ทำเพิ่มขึ้นอีกใช่ใชเข้มข้นมากขึ้นอีกอย่างมีสตินะคะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ทีเดียวนะคะสำหรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องอความต้องการธรรมดาพื้ น, พ, นพื้นของมนุษย์โลกธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการมีเกียรติมียศท่านบอกว่าให้เอาหน้าที่ในการที่จะนำหน้าเพราะเกียรตินั้นนะคะมันเกิดก่อนอใช่ไคะถึงจะทาให้นาไปสู่ มียศเกียรติเกิดจากการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาอันนี้กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านพิบูลไปอย่างยิ่งนะคะอาจย์ปนานค่ะน้อสการค่ะท่านฟังที่ครบครั้นี้ก็คือรายการสัสนิษสนทนาอีกวันหนึ่งนะคะทางสานีวิทรัครอบครัวข่าว f m ฟเอรเราก็หวังว่าสิ่งที่พระอาจารย์สละเวลาในการที่จะปฏิบัติกิจของสงฆ์ที่ท่านทํางานหนักกันมากนะคะแต่และรูปเนี่ยมาถ่ายทอด ในรายการนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านทั้งพระม้าชาาวโรจากวัด น, นาปราพงวัดเดียวกับพระอาจารย์คึกฤทิที่แจกหนังสือพุทธว จ, จะนะในรายการนี้ทาง2 2 0 2 2ย9 0อแล้วก็วัดป่าดอนหายโศกพระอาจารย์ภัยบูลกับหลวงพ่อดรสะอาดที่จังหวัดอุดรธา น, นีนะคะวันนี้เราก็ลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพุทธวสนีค่ะ